อย่สอย่างห้ามท่านพูดกิดจิบวิบากสาสีถันแห่ทุคนยั่งเกี่ยวมาท่นพอทุคนยั่งสุจ่าก็เกิดจิตว่าโอ้ยเจ้ากิดจจงมเห็นลายอยังใดการปฏิบัติถ้ามาคนเจิดจิจะเห็นเทรท่าไไปทุกกันักเห็มาดแลสัเจ้ามะตังใดงียตังเกาตางหลังบังมันเกิดตีกับใดท่านพูดขอเฮ้าในสมัยเฮ้านี่ขอเสดจิตมันมีหลายแต่กิจกรตะพวกพ่อเป็นนุ่งเป็นน้อยกิคงอิบ่เห็นหลายย่างเียวเกิดิตใจยินวามีสิ้นอะอันนมีทราเนี่ยอันหนึ่ง มานี่ยบอดนี้จะเชียร์เท้ยเนี่เชียรอยาขยันขยนเงกาวกับบมไม่พูดอะไรอุตลีไปหาด่วนมันที่เหนือจิงสตจบอไม่ดวแล้วคนสมัยก่อนบอสอกแทรกบอไปเฮ็ดบอขามเกินพ่อแม่จบมาอยู่ห้างสมัยห้องนี่การทาบอท่านนั่นบอเป็นลูกตุ่มช่กันยูบบออยู่ใดนะลูกของห้องหลังของห้อมั่นสิวิ่งไปหาของเศรษฐีลินพ่อแม่ต้องทุดลา ทอดกันกระชากดึงทอดกันพระทงสงฆ์จะเนีน่ต้องออกโร่งต้อกันเพราะนั้นนี่เข้าสิดึงลูกตุ่มเป็นลูกตุ่มดึงโลกไว้กะต้องไปนั้นแหละเราบานี่เข้าจนไคอยนเต็มไปได้เลยเอาคันันหิริเกิดขึ้นแล้วว่าเด่นหิริไมาไอเป็นไอแรกสกุสิอยาเรื่องผู้ใดก็บอกสุดรนี่หิริบ่นเกิดขึ้นเป็นปัญจาาแ้่ใจวัน กาเที่ยวมาหมู何何่อื่นตองเกิดปเที่ยวด้วะการาที่เที่ยวกันเนี่ยเยออายย่านย่านไม่ย่านที่หลอโอ้ปะเขาเอื่อไว้กลัวเนี่ยเกรงกลัวย่านย่านเขานินท่าโอ้เขากินโชคมาสกูเขาเกิดสินิ่ท่ากูกูเห็มาดวนแล้วเขาจะละเทานึงที่จะเห็นดวนแง่คือจะมาเห็นตังโตคัเราออกไปบุรุษเราอย่านีกันได้ใชกินัได้ก็เอาขึ้นเกาลั แแบไปหลดเม่าเราเี่ยเขาว่าได้อนันเป็นปณันในการปฏิบัติธรรมมาขอใหมุ่งมันให้ให้พอแม่ทุกคนมี ข, ข้ามปูสัิจเดกขาดเป็นที่ยำเกรงของหลูกของเต้ามีนำ้ำหนักประเดแน่ว่าคอยพอแม่นี่ยบวใหาตาปูจริงๆทำามาดูยูเห็นก็เอาละพอพระสงฆ์จะมีนออกล่งแฉกัน กาอาสัยมัตสีผสมขั้นเขาคุณป่าที่ปัญหามาเลียงการไปเปิดอรมนกไใช้ขั้าป่าอาหารเพื่อนโคเพื่อนจานเพื่อนดูเพื่อนกินโบอดบปอะยัดแล้วมีพอมิ่งม่ยแว่บ้านอาหารกินน้ามาสงมาเสียอย่างบกขุมคาคุณขุนเขาคุนป่าเป็นเนี่ยการเอาเอลิลิศผสมกันนี่แหลคือกันบาปหลายเขาเฮกินีอันได้มันส้งบกขุนทาขุนที่ผู้เพื่อนเป็นไฟผู้ครอบผู้กัดอักเสบยัง ผูใหญ่มากดีสง่าที่ตริงเข้ากับเห็นเห็นอยู่จังเข้ากับเออความมุ่งี่ประเหต์เนี่ยเหตุการณเข้ากับประเมอาจารย์โพธิลักษ์สิ่งกุญอื่นบางท่องที่สวามีนพวกเข้าเป็นโพธิลัก์แค่จริงมันทำคนละแบบสวนกรรมฐานคนละอย่างต่างวสีมุ่งเขาจ่งเขาไปหันแตว่าเพิ่อได้จีจ่งเขาไปซูเป่ากู้กันอันนี้หลวงพ่อรับรองว่าต้องแน่นอนตรงเพราะว่าสูดมาแล้ว กิจก่จิตตกรอาตมาก่ก็เคย่ฝึกแบบอื่นผูโทษผูโทเคื่อฝึกพะแห้งแต่อยู่นารียนตะก่าเรียนืน่อยนวัฒ์ฐานคนแกนนั่วัถน์คนแกนเขาเป็นมีกฎเกณฑอเขาส่งไปฝกงทงพระไปฝึกกรรมฐานเขาจะต้องสงมหาถาพูดในบทเรนมหาเขาปงรงค์ตะกอนส่งไปฝึกมาเป็นคู่สอนยุนวัฒนคนแกนหลวงพ่อขอไปเขาบ่นไปเพราะว่าเขาบทเรีนมหาเขาจะต้องค่อยรับวิชาความรู้ ไม่พาเลี่ยนอีกจากพรมหาที่เขาทรงจะเลี่ยนมัตรพุทธแกว่วมหาธาตมาส่วนมาส่วนพุทธโธยูหนอพ่อหนอซึ่งมันก็เม่เกิดสถิปัญญาแย่างเก่งเขาตัวแข็งเนนว่าจิตลกสูพาวันผ้าก็เสมืนซ้ำผ่านนะไม่ขณะที่เขาตัวแข็งว่าจิต อ, อยู่ย่านนั่นย่านนี้และ ย, ย่านที่หงละบระกอมาอยัางยุค น, นั่นบ้านคนลงพ่อนี่ออภัยท่แม่นมี้่ยากเล่นจาัสเล่นมหาต่อไป มาจ้อยกัเขาการะลุนน้องๆกับเขาตัวยแข็งเร็วไปเปิดสำแหน่งวิปัสนาไสเออกมาจ้อยไปนั่งที่ธรรมะแข็งบุข้นบางคนกับยาเอาไฟบุรีไม่จี้เบิง้งเอาเบิ้งนุ่นน่าอุ่นด่างเบิงบ้งมันหายใจนี่บ่หายใจหามประิดไปโต๊ะนั่งโต๊ะนี่บ่หัวเมื่อชีพคู่มือประจินกระเทยไปเร็วอุ้ดประตัวอยู่ในเอรูปประต้ำเนี่ยป่าว่าจ่าบ่เดืตัวแต่ว่าเจ้าของตัว กูเป็นผู้ชายด้วยบริวาสี่วันสุดปลายผูู้้เจ้าขัเดียวแต่ว่าการเ้ือนไจกัรนมงหงเสียผาผ่อนตะขาแขนกำไลแขนสวยของข้อ่ายนุ่ยง่ายแสมนตัวหาเพศสงถาว่าแมนผู้ผู้ยิ่งตัวในรูปแบบป่ากู้ผู้ก็เป็นการตัวตัวยางเงี้วเลยเกิดเป็นเมื่อได้กิตัวมือนานโดดตัวระยะเงีวตัวจะในรูปแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีร่างเสริมสวยพายุร่างเสริมเพแทอจะเป็น <errado. S 2> ผู้หญิงอะไรเขาุ่นมาหาห้องห้องกรสีไปญาติหงผู้หญิงจะเท่นี่เขากระตัวห้องห้องบเซีว่าเขาตัวนี่ยื่นเนี่เขาจยับล่นแล้วก็นผู้สาวนี่ผู้สาวไม่หัเป็นผู้สาวผู้บ่าวนี่เนี่ยก็ยอนแกเท่าแดงว่าวาเรื่องผู้สาวนี่ยทันเมี่ผู้บ่าวจึง้นนี่แหละแต่ีด่นี่แหละไม่เปลนประานเรื่งปฏิบัติของผัวห้องโบหญเน่เดินบไห้สาเดินโไหไว เดือดธรรมดาเพื่อเสพ่อแม่ทุกคนในประคับประคองกมเป็นปกติคำว่าปกตินี่แยกข้อใจว่าถ้าปกติคิดอย่างเดียวปกติคิดีเกิดเมนอนแล้วเไม้หนึ่งละเป่ามีละไม้เลวนึง้าพอหาแม่ได้กกับจ่ายที่นี่ไปบ้านไปเห็นท่านเรียน้านมั่งบอกขึ้เก้ายีมาหวหมื่นเจมื่เกิดเขาบกัดเกิดเขาบกวดนื่งบกัดบกวดติดอย่างหกอย่างนอ้บกเยี่ยบบกใสบใหญ่ั่งในอนเดียว ปักขวดแล้วป้พ่อสะอาดาพ่อเอาน้ามัเช็ดมืถูเพุ่อตามก้นขี้นี่พอเมียนี้มาหวเหมยเจ็หมื่นมันกับปปัดมัดกับป้กวดที่มันบริเชนบรถูที่สวยงามใส่ยูใส่ขีแล้วมันก็บ่อหลางบเช็บริเชนบรเม gem, then, ียนกรสีโดยบนมีขวนขันอปิชัยแล้วกับว่างมาลากใจใจจะเสียมอปใชัยแล้วกว่างก็เป็นที่เป็นทั้งบนตอนแล้วนางปฏิบัติธรรมรุ่นอาวุโสเมื่อค่อยกบเป็นพระยาษีตาไฟนี่แล้ว ข้านอกเข้าใจนี้เข้าได้ละการเนาพระพุทธเจ้าแมแสดงท่านไห้องฟังเลยแสดงท่านอันนี้เนี่ยอาชิตะปริยัยสูตรนี่ยเข้าเสด็เบิ่งอายตนะก่อนเข้ามันห่อนบวชห่อนตาเบิ่งเห็นเพื่อนซ่านหกหกเนี่ยเห็นสวยเห็นซ้ำบวละบวชเชนบวชเย็บบวชเนี่ยเห็นหมีเห็นควรเห็นเจละเห็นเสียมบ้างเกลื่อนกาดดาดืนไปเลยบ่เป็นที่เป็นท่างเก่งเมลิกเลี้ยซ้ำได้รายแนี้ยสิเป็นกี่ไรเข้าเสด็จเบิ่งอายตนะแต่จิตตะกวนนี่พระพุทธเจ้า เด็จอาคิตาปริยยะยสูตรอายตนะป็นของร่อดนะข้ามาเริ <ielle> ่มก็ไปแล้วว่าอคิโทกคติอคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหาเฮงยังว่าดิจิเลนก็เป็นไฟชนิดหนึ่งเนี่ยนี่ต้องระวังให้ดีมาปฏิบัติอยู่เฮงการเดินจุกวงเดินพ่อดีพอดีประคับประคองควบปกกระติจนั่นถ้าเดินจุกวงเฮงเดินสาหรือว่าําเก่าหลถึงเฮาเดินอยู่เปล่าความงขานั้นอยู่หฮม เขาเลยิ้เสียงละขังหรือขวางตอนเทียงให้มากรับอาหารเขาเป็ย่างสามเก้านี่เงส่วนอื่นว่าปกติย่างปกติสามเก้อื่นว่เป็นจค่สั่นย่างกรรมฐานย่างสั่นส่วนนองต่อวป่ายเท่ายกขาที่สุดบางย่างไม่จินเข่าวลยย่างเวิ้มรหลดทําให้นักปฏิบัติทุกคนรู้สึกตามเก้าถึงมากเพราะว่าท่านเดินเจ้ากรมเาให้เขาไปเดินย่างนึงบัออกไม่จินเข่าให้เขาย่างธรรมดา การงานไปเถื่ออาุร่างเนี่เขางานอย่างหนึ่งมันมีวิธียางคนละแบียนี่สิหฮมีวิธียางแบบเดียวกันนี่งานกินเส้นทางกับมาทานแต่งงานจค่ที่หลายงานพอดีเขาสิอินเขาคนอินพวกอื่นสำนักอินเขาบ่อยห้าวไปงานเสมอไปทั้งเชียงยื่นเคยมีกับมาทานไฟห้าวไปฟื้นไปร่วมเขาอยู่ที่เขาบอกให้งานเขาอยางลูกสี่ลูกหาของเขาเผลอย่างเขาเอาห้าวเป็นเี่งอย่างเขาก็ว่างห้าวแรงตัําเขากาวตู นั่นเขากเว่าเกินไปอันเขาแต่งงานธรรมดาห้าอยู่แต่ว่างานบวชบวาเกษตรผู้เฒ่าไม่งานสะสะผู้เฒ่าเกิดคว่นเนาะมาลาวท้าเทียวหรืเนาะหายมากดมากเก่งออกระดอกขาเรียกสติตายซะเอะทีเหตุเด็พ่อมือยังเมนบวอแต่งานธรรมดาเกิดขึ้นข้อไทหน้าเลยมิพอคนไหนอยากให้ควยผ้าไทโพลบวมีมิพอ่นไหนอย่าให้กุ้ยอยู่สะสะหรือผ้ากระไพนอ่บุญบวมีเอาสักไหนหน่ไทหน้า หิ้งธรรมดาการหิ้งกับวยใหญ่ห้กัดแลียนกับวยใหญแเลีนหิ้งธรรมดาก้ไปค่าที่ไหนกันเขาเดินเวบจนบ่วยใหญ่เลียนนี่กับวยใหญห้งเสียซะหิงธรรมดาเ่นว่าหิงให้ประคับประคองควบปกติอันนี้เป็นพูละนน่นควบปกติท่างจิดแล้วยังบ่พออย่างสิมาเอาปกติท่างกายบางส่วนอีกยู่ได้ดิท่านตายส่วนไหมันบ่ปกติเดี๋ยวีปวดนี่แสดงว่ามันบ่ปกติให้เห็นมัน อันตรากสิเขามากอห้าแหละมันบกปกติมันขั้นที่นั่นขั่นนี้ขั้นเพาะนี่ยปเหตุงตีกัดอ่ะหินตีกัดอ่ะเบิงให้มันขวนขันกิทุกข์แค่นิดนึงละจะต้องเขาไปพดเฟื่อจะต้องเขาไปแก้ไห้องมีอิสระบนเมืองนโ่าเขาจะห้าวีชีวิตยีนนังร้สึกสิมีชีวิตได้เป็นห่มเป็นพ่อเจลูเจเต่าหือสิตายวันนี้วันพุ่งกระบอกถือดันห้าเผลอมาบรรษาตัวให้ดีงูมาแลนว่าหมูอันนี้มีพิษมัน บ่มเยาวาผูขาตายตัวนั่งคำพูดถึงสองเก่ยวมงแยกขยายเผยเด้อยยุ่งกะจะไรอยกมันเรือยบ่มียาว์เัสรหอยมีอิสระหลวงพ่อศิไปเห็นนาหรีบว่าพวกแม่เจ็บไส่ปวดใส่มันสมควรทีแต่ละคนศิเย์เพียนให้นยั่งให้เจ้าของเห็นเจ้าของเองตัวแจ้าใช้เองตัวทิ่งที่ทีให้กะมีเดินเจ้ากรมมีการสั่งแฉวเดินในพอดีในขณะที่เดินเจ้ากรมเจ้าศิษเดินขยัน กำหนถือคือขันเจ้าส่งใจไปทางอื่นในขณะที่เดินเจ้กรงใจนั้นเดบกจิตก็ใส่ใจก็ตามเนาะเป็นไหนจิตก็ใส่ใจก็ตามคนเดินกันเลยนั่งสางแก้วเสียนสางแบกคิดก็ใส่ใจก็ตามก็คิดหลักการเดินเจ้ากรงขั้นนั้นบ๊วแม่นกายาต้องปัจฉนาบ่ได้มีควรนี่บ่ได้ไม่เจ่นี่เพราะว่าสติเจ้าวายุกับกายที่แหละเจ้าบ่ได้ทึกสากายที่แหละเจ้าคิดไปออกนอกเป็นอุทาจักภูจักพุ่งไปแล้ว ที fish, research, ่เห like ็นให้ที่เห็นหน้าที่เห็นหน้าตาลูกหลานนู้นเจ้าเอาขันตัวบายกับแม่กูมาเขาเขาน่อกูเหมืนกเรื่องขันยุ่งเหอนก็ได้ขันกูนี้มาที่มันสียรืมเสียรู้ตัเย็นมากกับบ่มีเขาได้หนึ่งให้น่องให้มงกินแล้วน่องผู้อ่านผู้ฟีดกระสีเสื่อแล้วน่องจิตเพลอและน่องเรื่อบ้านการเฮื่อนมะกะแหงบัลํานั่งจืเจือที่กี่กับแม่กินแห้งกูกูยู่บ้านกูเป็นผู้ลูกมีเขาเป้าไฟมาหามเฮาหามหอนอยู่มาไหลเลี่ยงอยู่ นิดมันออกไปนอกแล้วเดินจยกงกับเดินเรียนขึ้นกันกับหุนยศนี่เขาเอื่นมีเดินแบกจิตก็ใส่เก๋ตามนี่นี่หละบ่เมีนการญานิมันปรสนาสติบ่เปลี่ยนไปกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวบ่รอดจิตก็เสี่ยงการเคลื่อนไหวมารอดจิตมันอย่างนี้จิขก็เฮามันบ่มีตัวมันบ่มีตัวเอาโซเอาเสื้อผูกอะไรเอาข้าวเอาปอปลูกบะไรน่ะคือเด็กสุขส่วนคือเลีงนี่น่ะเด็กสุขส่วนเอ้ยพูกของสุสิโต๊ะนั่นนี่แหละเอ้ยพวกมีไงจะเคลื่อนไหวเปนบ่ หาตกระตามาล่อมันเนี่ยให้มันเล่นเนี่ยนี่มันคลานเพ่อเจียมเพื่อเจียมสิเป็นตกบ้านตกช่องยี่หรี่ะกูว่าเราจะกิจีบของเขากันแล้วเอาตัวผูกก็ได้เอาเสื้อกับปอเอาข้าผูกก็ได้ก็เอากายเป็นเครื่องล่อให้มันอยู่กับส่วนใหนส่วนหนึ่งในขณะที่ให้มันอยู่กับกายเข้าก็ได้ศึกษากายนั่สถิอยู่กับกายจะเห็นเพืมอเจ็บเพื่อปวดเห็นควื่เหน็ดเวื่เหนื่อยอาการเช่นี่มันเป็นอาการที่บดีอาการบดีเข้ากับเสืออาการกายวาจัยอย่างอื่ที่เราจะต้องทําให้ดีเนี่ย การดีให้แก้ใช้เข้ากับปเปื้อนทำมันดีเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่เปลี่ยนอีบอดเปลีที่ตัวให้การมุนเรียนของหลงหีมังคองตัวจะเป็นอมภาตายเปลือกในอายุมันยืดให้เป็นห่นเป็นพของหลูกของเตาในปพพมัจันน้พระเียทับทรายบ้านีเปลี่ยนไปน้ำพระเพียทััวเปลี่ยนีห้ยังนั่งทัพทรายก็นั่งตเือตะเร่จมันเบ็ดสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดี๋ยวให้เบ็ดยกกรับมาทานบมดเลยเดี๋ยวอันใดเดี๋ยวนี่สีนั่งพระเียรทับ หัวจะตวัวผู้นั่งพระเพียรท่าสายก็มาหัวมั่งเมื่อไปนั่งพระเพียรทาาย่าหัวเอาพระเพียร ท, าายยท่าหัวมาบำบัดพระเพียรท่าใต้เนี่ยแ่ะอินทิพุร่าทั้งเจเวทนาปฏิยังคำนีเพื่อบำบัดทุกเวทนาเก่าอังเกิดจากท่านั่งท่านั่งกิเป็นทุกเวทนาปวดก็มั่นนี่ข้าเปลี่ยนไปหาท่าอืน่นเอาท่าอืน่นนั่นแหละมั่งบอกว่าทุกเวทนาในท่านี้ให้มันเฉลาเฉลาให้มันพ่อหมอพ่อสมกับอัตฉริยนี่แต่เจ้าคอยบอ้ากล้า บางแบล็คแบนหาเฮ็ดขึ้กันหายทำขึ้กันผู้ขายงยงเง้ก็หายมากเดือนเจ้ามันจ้ามันชแช่ก็ไ่ได้แล้วไม่ช่วงไผ่วงมั่นคนเงีงเงีก็หายไม่กินข้าวปันน้อยก็ไม่ได้แล้วไมนช่วงไผ่จ้วงมั่นก่เฮ็ดให้พ่อหมอกับอัฐพาบของไผของมั่นถ้ามชาตาสามารถกับม่เกิดไม่ขกันมีข้นขาวคนดำขคนดำค้นสูงคนดำค้นสูงเนี่ยข้นงอ้นเืบข้นชละแหลมข้นปัญญาก็บม่คือกันนี่ เขาจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคูมือคูมือพอไหมการสานจัวะมืมอคลื่ีนเห็นไ่ะการสานจาวะให้เคลให้มันสัมพันธ์กับที่การสานจัวะนั่งให้เบิ่งใจหน่อยเนาะเบิ่บงใจหน่อยขไปหน้าจิาจเพชรย่อปากไวข้าวไวข่าวไปเรื่อย เ, เรื่อยมาด้วยตัมานั่นนนนงดูสิเข้านาังน่งคาเทีย นั่นั่งเหยียบขาอะไรได้พอญงนั่งเหยียขานั่งที่ส่วนใหม่ยืนก็นได้นั่งโต๊ะนั่งตั ง, ตางตสาหรับมีที่ห้อยหาสิคือเพรเป็นเนี้ยพระทบรบุรลงดอกคอให้สถิอยูก่นนนนาากับกาเื่อไว้ให้นันนั่นเท่าไ่เนา่เาสั่งจะว่าแตเาให้เมื่อวันสามารกันนเมือ่อขวานีเมื่อสาย่นเท่าแต่แค่เมื่อนี้สิท่นในขณะที่มือมม่อขวามันเคลื่อนที่มื่อสายจะเคลื่อนเมื่อขวาเขามาชูจุดยิงแล้วจะห็นเมื่อขวานี่สิเมื่อสายมันขึ้นเลยสัมากถแต เมื่อใส่มันนิ่งมือขัวเลื่อนมากที่เลื่อนมาดูมือขัวสิ่นิน่งดิเมื่อใส่จะค่อยเลื่อนมากมันอยู่ที่จิตใจว่าให้พร้อมกันทันพร้อมกันบั่งทือทรงอ่ากำลัง กำลังลบไปคัดตาท่านะคือเม่าท่านพมาจกิด้งไปยันนี้แน่สอดจะจนวนหนึ่งท่านคนนี้จะทด้งไปยันไปสิ่งที่ท่านตาะระยะจานวนหนึ่งเวมเข้มข้นของกองทัพส่วกลางมานจหน่อยร่มนะเอาสิมาถึงคว้มเข้มข้นของสติทันใดเข้มรู้สึกว่าไว้กันให้เกอนท่นสองยันสติหรือเว้มหูมามันเ่็เข้มข้นนะใหญ่มั่งความกันใหญเมรู้สึกเข้มข้นหัมันว่าหันแต่กันนะากันแยมได้เมื่อหัว เออจีนก็ให้สติแจ่มวนเต็มบถีแดงด้วยล่ะมาอยู่กับมือขางขัวเนี่มือขางขัวได้บวถีแล้วมือขางไสจนแต่สติจ่มวนเต็มมาอยู่กับมือขางไส้แค่สีนาบถีแดงแยกออกนาขันอาหารถผื่นึ่แดงดิฟองเผือมันกระน้ยร่วงตัวเถือนี่ไงขันแดงเป็นสามเผื่อแกแหงน้อย่งตั้ยเป็นสีเผือห้าเอแหงน้อยลายตัแมงมุมเป็นไงันแห้งอล้ยคล้ายลายหอยบวียถึงตัวนอมันสีก้นเผื่อเสม ว่าห้อยสร้อยไงมว่าแยกทำไมมีจานวนเดียวเจ็มนเจีเจีนเเนพราะใคนันเมื่อทางอะไรเื่อนแต่ใครคอให้มันเป็นจังหวะของใครก็มันเสค่อยเอนั่นจังว่ามันเกินี่แล้วหรือน้องเพราะว่าทานอหาสัมพันกันอยอะกลมอยู่เห็นกลมหลายผู้เฒ่าจะกลัวพ่อ ทำต ie, in <m any Dec french> ัวนึงวันสี่แต่ทีเน่พ่อมือไส้สีกัวมือหัวไปแห่งเดียวพ่มือัวแต่ทีมือส้สีหลืองเแต่พ่อพมือไายสีนิ่งพูดกัวมาแ้พ่อมือัวสนิ่มือไ้สีเลืองไม่ราเ่มือสสีนิ่แต่แค่ไม่สีอะไรพ่มือขัวสีนิ่งมือไส้ยังไงเนี่ยมือไายสีน่งมือัวแต่ทีนี่าแล้ก็ะชางเล ข้าม <LEY> ือัวสีนิ่งม <Yeah. S 1> ือใต้ก huh. ับสีน่เมื่อไรเนี่ยคือมืใต้ขวมมือขวาแท่นสีโยกเนื้ออะไรน้ำมะชูสดีมือใต้จะแท่นสีโยกเนื่อไรนี่ยมะชูสดีมือัวาลูบไม่ว้มอกเวอรกัมาข่างข่างว่างล้มเขาขวมลูบมือาย้จะลูบไม่ส้มอกยกกับมะข่างแข่างว่างเมื่อเขาขวมมันสำคัญอยู่สิใครมาเหมือห้าเทเขานอนในผามมันหนาหู้ยืดเอ็นเจสิกได้เบอร์เดย์โยกเฮ็ดสมันนั่นหลัห้าเทือ อาจจะเขาอดเล่นรู้สิอะไอันนี้บนในวิปัสส น, นาเด่นบนในวิปัสสนาวิปัสสนามันทํำในทุกสถานที่บนเหลือการบนเหลือเวลาอันนี้เป็นพิธีการพิธีการแต่ย่างจำเป็นต้องน้่งปฏิบัติอยู่ห้องบสถ์ิเสธถึงว่ามันสิบสถ์เป็นวิปัสสนาก็ได้เป็นพิธีการวิปัสสนาผุหมายถึงข้างใจบูรหางบูงบเหินดูแจ่มเราทำบนเหลือกสถานที่ อันนี้ล่องไปขีนรถบนรูเข er, ้าสิดโดยสารไปบ้านนั้นเมื่อนีงนางหยวดย่านป้าปนเขาเขาไปคันเพราะไงจุดเบี้ยมือป้าทางป้าทางเอบ้ามาเฉยน้อยเขากิดปีวาได้แนนบอกข่นห้องยืดเส้นเนี่ยเสียงว่าห้องบหลุดกรจาันีบนแนนวิปัสนาเนี่วิปัสนาของเขาเขาเกิดเสวยยืเส็นบอกสร้างทันจะทำมันจะสร้างทัจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยต่พระกาโตุาสนันยธาสถิยธาพลังมนาจิตตรมมา อนุปปฎิภาฌามาจะทำในใจอยู่ปฏิบัตย์อยู่พูดว่าจะสิแน่นบ่าบ่งมีนว่าจะเดินจะกรมอยู่จะสร้างจะไหวอยู่บริวารไี้หมดแต่ท่านไม ใ, ใจยุ่ปฏิบัติย์ยุุ่ผู้ใดอันเรื่องท่านในใจมีเขาบรได้ดูวเ ข, นขินดอกอเขาเห็นอยู่ที่ไหนมันบรเห็นกันนาะ น, นั่นฮีปัชนาเรื่องท่าในในใจอยู่งอันนี้เป็นทีการว่ายใจยุ่เพื่อนในกระไรเขาไม่ได้รู้ต้ออาศัยเชื่อนไว้ถ้ไปนี่อยู่เร่นเรืน่นยุ่ซึ่งเขาบรเห็นเป็นที่รู้ สิง่งตึงวนเสียหายอย่างเขาจะสิดไรอยู่จะสิดไดรเพราะเป็นอยัง เ, เชื่อถ่นนายยังไม่มืเอเลยหรอยู่ก็บพราะเป็นยังนั้นดเป็นเครื่องรอออันนี้เป็นพิธีการให้ให้คิดเท่าท้อรักจับให้มันิ่งอยู่โดนๆศึกษายู่นี่หมวดร่างกายอันอุ้มรุ่งอย่างนี้นนว่าจะไปก็เป็นกายยางนปัฒนัใหญ่ดวงจิตดวใจทอีอแลรว่ามานันจะร้ายเจอหรือตัวเป็นขโมงละเนาะ ดังนั้นขอให้พวกนักปฏิบัติเท่าทั้งสองฝ่ายมีบัดทักษิณละว่ารวามแม่ผู้ถพกผู้จกยาย่าเอื่มละอายฉลาดใหญ่ให้มิคิจใหญินคนดนักเนีย น, นความันอุภสษาหน้านาชนิดถึงข่วมนิดเนื่ยเมื่อหลาที่มากคบามง่ำข่วมง่วงหลงหาวนอนที่มากคบามง่ำก็าหายทุกคนฉลาดเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่ห า, ายวิธีแก้ไขเองขุนฉลาดอันนี้ที่า้าเข้าคนจกอันตรายค่ทุกข์อย่างต่างๆสี่อ่อนตัวสิบาบาจ้างข่ แล้ววิปัสสนาของเฮ้ากับความมันรุดหน้าจะเลื่อนไปที่อ่าได้ไปบ้านไปเมืองให้เป็นที่เพื่อของหลูกของหลานเป็นพระพมที่เร็ยด้วยคุณธรรมทุกๆทันตื่น